ต่อไปนะครับดูบทวิธีหน้าร้อยสองข้อเจ็ดสิบนะครับถ้าว่าสามเนนเองกล่าวอย่างนี้ว่าทำเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้แล้วว่าเป็นทรรที่สามารถทำอันตรายถ้าพระเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมศึกษาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้ว โดยประการที่ทําเหล่านั้นหาได้สามารถปะทำอันตราย <Yeah. S 1> แก่ผู้ต้องเสดได้จริงไหมสามเณรนั้น <Yeah. S 1> เป็นผู้อันพิสุจน์ทั้งหลายพ <Yeah. S 1> ึงฝั่นสอนอย่างนี้ว่า <Yeah. S 1> นี่แม่สามเณร <Yeah. S 1> เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น <Yeah. S 1> เธออยางได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค <Yeah. S 1> การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลย ด้วยว่าพระผู้มีพระภาคไม่ใช่กับอย่างนั้นสามเณรพระผู้มีพระภาคหลักธรรมที่สามารถกระทำอันตรายว่าเป็นธรรมที่สามารถกระทำอันตราดยด้วยอานิจจังสังารทำเหล่านั้นย่อมสามารถกระทำอันตรายแต่ผู้ส่องเสร็จได้จริงสามเณรนะ ท่สูทั้งหลายฝัง ส, สอนอยู่อย่างนี้ยังถือทิชชียืนการอยู่อย่างนั้นนัเที่สูทั้งหลายจึงกล่าวกับสามเณรนั้ น, น, ยนยอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอให้พึงแสดงอ้างพระผู้มีพระภาคว่าเป็นศาสดาและสามเณรรูปอื่นๆย่อมได้การนอนร่วมกับที่สูทั้งหลาย ผื้อยู่พิงอ่นครอบสามเณรผู้ถูงลงทันแต่กรรมเช่นนะ้ก็ดีให้เธออุปถาก็ดีพึงร่วมบริโภทก็ดีพึงจะทำการนอนร่วมกันก็ดีต้องม า, าปัดปาสิปีเท็ขงขอนเท็น ข, ขอนหมาว่าสมณนรูปนี้นะเป็นมิจฉ า, าทิฏฐิเหมือนพระอริฐานะไม่เห็นทั่วของการรุ่เมือพราบัอย่าง คิดว่าเขาจะจ้าแต่ว่ามีอันตรายเป็นอันตรายไม่ได้เป็นจริงหรอกนะครับไม่มีโทษการไม่มีโทษนะเรื่อคล้ายกันนะมีคนมาเตือนนะครับแกก็ไม่ไม่ยอมนะนะครับแล้วที่นี่ในเนี่ยไม่มีการสวดสมณุภาพนะครับไม่มีการจับตังท่ามกลางสมบัติกำมือสวดสมณุ้านะแต่จะมีการลงธนกรมม์ถ้าจะทำผิดเหมือนพ้าอริษฐานใช่ไหมในข้อนี้แกทำผิดเหมือนพราอิษฐานเป็นไม่ฉนริทีนะครับ กล่าวถึผ้าจ้าวสูทข้างหนาได้ยินรูกขากเข้าก็จะมาว่ากล่าตักเตือนเหมือนเดิมนะถ้าว่ากล่าวเต็อนั้น แ, แกยังไม่ยอมนะครับสองก็จะลงธนกรรมแกลงสนกรรมโดยการ ม, กมีสัวนอัปลกเหมืกันนะส่วนอัปโลกลงธนกรรมสำนึกนี้ไม่นอนร่วมกับพระพิสุทนะครับไมไ่นอนร่วมพิสุทก็จะแ ม, ม, ม้นิคร้อไม่อะไรแกแล้วนะครับงี้นะเดีจะเอาตัวอย่างการลงกรรมนะครับ ทีนี้ถ้าพิสูรรูปไหนนะที่รู้ทั้งรู้นะครับว่าส ม, มุนเนนนั้นเป็นผู้ที่สุขสงลงสมณกรรมนี้นะนะสมณกรรมในที่นี้นไม่เหมือนกับลงสมณกรรมส ม, มุเนทั่วไปนะครับแต่เป็นสมณกรรมที่เป็นการขำไลเนนออกไปเลนะ้นี่ยเนี่ยตรงที่ว่าเธอจงไปเสียสุดคนเลวจงสิบหายเสียเนี่ยไลยไปเลยนะครับหม <c oughs> ู่อเนรู่นอื่นยังอยู่ร่วม ก, กับข้าไาใช่ไหม ลองร่วมชายหาดร่วมในการนั่งสองคนาทีแต่ในนี้ไม่ได้ถ้าไล่ไปเลยเพราะจะมมีนึกเคราะห์มันอะไรแล้วนะไ<ม>ล่ไปเลยนะครับไอ<ม>้ที่ไล่ไปนี้ไม่ได้ไล่ ไ, ไ, ด ไ, ลไปด้วยความโกรธเกีย น, นะ<ม>แต่ไล่เพื่อแกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ<ม>ลองกัรเรื่องสายความนึเคราะห์นะ<ม>ให้แกหายอยู่มาพูดแก้ตัวพูดแก้ไขนะครับจะได้จะไดเหมือนเดิมนะทีนี้นะครับถ้าี่สุทรูปไหนทม่ต้รู้ว่าสัมมนเนนะ สุลโรมสัญญกรรมอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็ยังไปอนุครส ม, มนเ็จนั้นะนะครับไปเกี่ยกบบอบแนนติ๋นองพี่จะให้บาสให้เอ็ีสามให้นั่นให้นี่นะ <c oughs> <c oughs> ไปเกลี่ยกอบแนให้มายู่ด้วยนะครับตอนนี่แนเป็นอย่างนี้น ะ, ะหรือว่าให้สมณีประถานเล่มใช้ตัวนะครับประถางเล่าใช้เสียงน้ำชั้นน้ำใช้หาไม้สีฟ้าให้เป็นต้นนะหรือว่าบริครรัวนี่เหมือนเดิมนะครับบริครรัวอาม์ ม, มิทามะนะ และก็น้องลูกชายคานก็ต้องแบบไปดิธนาทุกกรณีนะครับตั้งแต่อนันนี้เพาะให้ปุปทานรวมบริโภคหรือน้องร่วมกันนะครับก็ต้องแบบไปดิธนาที่นี่อ่านต่อนะคะอานต่อนาสนะสามหนึ่งลิขานาสนะทําลายเทศคือให้ศึกเช่นให้ศึกสามเณรที่ถสนใจภิกษุมี สสังวาส น, นาสนาทำลายสังวาตคือตุเขตปิ ย, รปยกรรมดังในสิกขาบทที่หกสิบแสธันดกรร ม, มาน า, าสนะการลงธันดกรรมเช่นที่ใช้ลงโทษแก่สามเณรในสิกขาบทนี้ที่สุจะให้การหันเคราะห์ด้วยของกินของใช้ ด้วยการบอกสอนแนะนำให้เธอมารับใช้ให้เธอมานอนในที่มุงบังเดียวกันไม่ได้จนกว่าเธอจะละความถึงเช่นนะั้นและขอความมาต่อศพสัปปานนักกล่าวว่าเอ า, นาองนี่ยแอนนาสนาตัวว่าการให้ฉิบหายนะครับ การชิมหายจะมีสามแบบลิงค์ข้านาสนัยก็หมายถึงว่าจับศึกเลยนะครในกรณีสมณะน่ะไปข่มขืนพิษุณีนะครับอันนี้ถ้าสมณะข่มขืนพิสุณีในบวชไม่ได้น่ะจับศึกเลยนครับถือว่าทํากรรมหนักแล้วนะอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปมีอะไรกับเพียอื่นนะและแกนกลับตัวกลับใจถึงผิดได้ช่ไหมก็ยังมีโอกาสบวชใหม่ได้ จะได้เป็นขนาไปขมม่มขืนมิสุนีในคำหนักการนี้ให้บุตไม่ได้เลยต้องจับสึกไปอย่างเดียวแม้ภาคป ร, ราตที่คุณเหมือนกันนก็ให้จับสึกใช่ไหมที่สุวิสุณีป ร, ราที่ก็จับสึกของเขาแต่การจับศึกลักษณะนี่นะชื่อว่าลิขนขณาสนะสังวาสนาสนาธรรมาสังวา่งวาก็ได้แก่การลงเทปนิยกรรมยกออกจากมุดพนานะครับไม่ ม, ม า, าล่วงสาริสานะกรรมร่วงไรกระส่งแล้วชื่อว่าธรรมาสังวาส คำนาการหรือร่วมกันที่นีครับไม่มนล่วมละสงฆ์นะแล้วก็ธนดักกรรมานาสนาการลงธนดักกรรมนะครับที่ใช้แก่สมเนตในสุขาบทนี้แหละได้แก่การไล่ไปนะไล่สมณีไปนะครับไม่มาล่วงอะไรร่วมกับพระพระก็จะไม่ร่วงข้อนะครับทีนี้ผมจะไล่กล่าวว่าที่เขาลงโทษสมเนตในสุขาบนี้เข้าจะลงโทษอย่างไรไม่นเหมือนกับว่าอา้าวไอ้นี่มีธนดักกรรมไหม ไปช่วยกับพิยญาหน่อยไม่ใช่อย่างนี้นะคะรับธนกรรที่นี่นะไล่ไปเลยนะครับไล่ไปเลยแต่ไม่ได้ไล่ให้แบบแกไปสุดไปไ ล, ล, ล, ล่ไล่ผมกวบอกให้แกสมความผิดได้นั่นเองนะครับเขบอกว่าในสองอย่างนั้นนะครับธนกรร ม, มานาสนาที่สงทำแก่กันตากสมัมมาในคุ้ทราบว่าเป็นสารนาแปลว่าการขาไล่นะครับเป็นขำไล เป็นวิธีการลงโทนทงโทษด้วยวินัยกรรมเพื่อให้สํานึกผิดนะครับเพราะเห็นนั้นในบัด น, นี้ถ้าแม้มีสัมม็จนะครับกล่าวข้อพระพุทธเจนะ้าพระธรรมพ้าสงฆ์แสดงสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเป็นผู้มีความเห็นผิดนะครับอันใดอันหนึ่งนะั้นต้องครบถูกองนะครับประกอบด้วยอันตร า, ายจากทิ่ผิเป็นผู้มีทิ้ถีเห็นผิดนะครับเห็นว่าเลาะเที่ยงเลาะไม่เที่ยงนะ โลกมีที่สุดก็ไม่มีที่สุดนะเป็นมิจฉานิฐิเองนะครับโอกเที่ยงเสลืออะไรอะไรนะครับคุณโลกคงหมายถึงอัตภาพร่างกายนี่นะครับมันเที่ยงย่างยิงแต่มาตานะตายแต่แรกก็ยังไม่ตายใช่ไหมครับวิญญาณก็ยังเที่ยงร่องรอยต่อไปอนี้นะครับอีกอันหนึ่งโลกไม่เที่ยงนะที่เขงมีนะครับพูดถึงโลกนะครับไม่เที่ยงมันถูกเรื่องนี้นะ <c oughs> ความจริงมันไม่มีอัตตาจะตนนั้ไม่มีนะครับอันนี้เขาคิดว่ามีอัตตาแต่อัตตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงความเสียตานั้ไม่มีนะครับโลกมีที่สุดนะนะครับโลกไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดนีใเข้าหมายถึงอะไรขันธ์ละโลกเลยนะครับมีที่สุดนะครับนี่ไงนี่คือความที่บาตรยนะครับนี่คือความที่บาตรเล ที่ว่าสมมติทางบางเหล่าใช่ไหมเข้าได้ชาปีญานะครับแล้วก็แผ่จะกินแผ่อะไรไปนะเข้าแผ่ไปได้แค่ไหนนะครับสมมติว่าเขามีอนุภาพแผ่ไปได้แค่นี้นะสามสิบรอบกระทะใช่ไหมครับเขาจะบอกว่ารอบกระทะมีแค่นี้แหละนะที่สุดแค่นี้นะ่ะนอกจากนี้ไม่มีแล้วนะครับอย่างนี้ซึ่งพวกที่แผ่ไปได้เยอะเขาจะบอกว่ามันมีที่สุดนะครับงั้นน เกี่ยวกับเห็นผีเสี่ยโรคนะครับแล้วก็เห็นผิด ว, ว่าชีพอันต์สิรีราชอนันต์เขาเนี่ยเห็นผี ว, วา่าปฏิจจารณาตัวตนไงระหว่างอัปตาตัวตรงกับร่างกายเป็นอันเดียวกันนะครับถ้าอัตาตัวตรนกับร่างกายเป็นอันเดียวกันอนะ่ะเวลาส่งตาพวกพวกูถือว่าขาดสูงเลยเพราะปัญอางเดียวกันก็ถือว่าอย่างงั้ น, น, งนะครับเอ็งอื่พวกเราก็บอกว่าสิริราชร่างกายมันเป็นอย่างหนึ่งนะแต่ตัวอัปตามันซึมในร่างกายได้เป็นอย่าง เวลาคนตายเฉพาะร่างกายที่จตาแต่จิตวิญญาณนะครับหรืออัตตาตัตนเนี่ยไม่ยังไม่ตายมันใช่ที่เกิดหมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคร <c oughs> ับนี่มีความอย่างไม่ผิดทั้งนั้นนะสบเบื่องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกเกิดอีกใช่ไหมตายแล้วเกิดอีกตายแล้วไม่เกิดอีกนะครับตายแล้วเกิดอีกก็ไม่เกิดอีกก็มีนะครับตายแล้วเกิดอีกนะครับสเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกหาไม่ได้ย่อมเป็นอีกหาไม่ได้ สงสยัยมทําไมบอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายแล้วยอดเป็นอีกทําไมเป็นวิจาริภิผิไม่ถูกเลยครับบอกว่าสัตว์ตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเนี่ยทอไมไม่ถูกอ่ะแล้วก็คิดว่าเกิดอีกก็เกิดเป็นคนถึงเหมือนเดิมไม่ใช่คุณเต้ตคือก็เห็นว่ามีสตัอตว์ก่อนนะครับแล้วสัตว์นั้นมีการตายแล้วก็เกิดอีกใช่ไหมเพราีสาัตว์บาไม่มี มีแต่รูปนามสังหที่เป็นป็นต่างตามตาปัจจัยใช่ไหมไ <Yeah. S 1> ม่เห็นปจัจจามียังมีเนะ่ะเราก็ยังมีการสืบต่อใช่ไหมครับแต่หมดปัจจัยคือหมดแค่นะั้นเพราะถ้าพูดถึงว่าสังก็คือไม่ได้แล้วถ้ตเราพูดว่าสังใช่ไหมครับหมยติดตรงนั้นนะหรือม่ พ, มพูว่าสังก็อ่าตาแล้วจดอีกตาแ ล, ะละ้วนมจดอีกนะความทีดไม่มีอันนี้ธนะรเมื่อสมมบูรณ์เป็นอย่างนี้ยนะ เป็นการโทษที่ถ้าทำก็โศงนะครับแสดงสิ่งที่ไม่ควรหรือไม่ฉลาดถีอย่างนี้นะก็สาม า, ารถลงธนบัตรกรรมนี้ได้สมัย น, น, น, น, น, นั้นนะครับอันวิจิตรเท่าไหร่คุณห้ามตามก่อนให้สละความวมิถืนนั้นเสียถึงคำะะะวิษาะ น, นะครับไปเตือนสามพันนะหากเธอไม่ยอมสละกคุณให้เปิดชุมสงนะกล่าวว่าจงสละเสียหากเธอไม่ยอมสลากนะครับ พิสูจนผู้ชนะพิมคําอาปโลกนกกรรมขับไล่เธอ น, นะครับก็แลกรันพิสูน์นั้นพิมพ์คอย่างนี้ว่าสังคคมพันเตปุจามิละ <c oughs> ย่านะเอามาคอมเพลอะไรดีกว่าสามครั้งนะครับปรกษาสามครั้งท่านเจริญข้าพเจ้าขอถามสงฆ์ว่าสมบเรณ์เช่นนี้มีความเห็นผิดมากกล่าวข้าพเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สำนึกในลาภอื่นย่อมได้การนอนร่วมกับพิสุททั้งหลายสองสามคืนอันใดการขับไล่เธอเพื่อไม่ได้การนอนร่วมนะชอบใจสองมือนะครับก็ถานบริสยนสามครั้งผสมนิ่งก็แสดงว่าเห็นด้วยนะครับนี่นใช่แล้วใช่ที่ฉีดมันในกีนะนวา่ามันเกี่ยวข้อว่าเที่ยงเราขาดสูงเป็นเป็นเกลียดนะตอนนี้กลาเป็นฝ่ายผิด คือในคำพูดอ่ะใช้คาพูดตา่านั่นเองอ <c oughs> เป็นเชตต่างทิฐิใช่ไหได้ก็เเชตตทิฐิครับแต่ว่ามันแตงย่อยหลายแบบทีนี้ก็กลับมาในต้นมันใหญ่ขอต่อเวลาหน่อยวันนี้นะให้จบหมครับได้จบว่างนี้นะเรื่องสมมลุทธแท้ครับกรรมตกางสัมมุทธแท้คือเป็นชื่อเรียกสมมาณีนะครับ สมนุนทแท่การตะการมิฉาทิฐิครัโดยสมัยนั้นมาพราพุทธเจ้าประทับอยู่ณพราเชตวันอาลัยของอาามหาวิทยาเข้าบริเพ็จพรนครสาวุทีครั้งนั้นสมมุนิแท่ชื่อกันตะการมีทิฐิซาเห็นปางนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงพระพุทธเจา้าทรงแสดงแล้วดังข้อดิจักคำหลอนใดว่าคหล่อนนี้เป็นคำทำตราท่าหลอนนา้นเาตราวแก่ผู้เสร็จด้จริงัหม ก็เหมือนกับที่สุอาทิฐังมีความเผิดเหมือนกันเลยนะสุทัศน์หลานรู้ข่าวว่านะครับสมาีนั้นเพื่อมีชาริพิเนี่ยนี่อย่างนี้ใช่ไหมก็เลยไปแจ้ว่าข่าวต่างตื่นนะครับที่สุเหล่านั้นเข้าไปหาสมณุแทษที่กันตาตาถึงสำนักแล้วก็ถามใช่ไหมว่าเธอมีความเห็นผิดอย่างนี้อย่างนี้จริงหรือก็ตอบว่าจริงครับรับทุกอย่างเลยแล้วก็ได้ตักเตือนครับเอาวิสวรกันตาตเธอยได้ว่าอย่างนั้น ที่ได้กล่ารดึงเนื้อผ้าเจ้าการการดึงเนื้อผ้าคเจ้าไม่ดีแน่ครับเนื้อผ้าคเจ้าไม่ไต่างเห่างนั้นทําทําร้ายเมือ่อ้าคเจ้าตัางไว้โดยเอนโดยปริยาเป็นอันมากก็แล่ทำเหล่านั้นอาจทำกระลายแก่ผู้เสร็จได้จริงการข้าวไหลเนื้อผ้าเจ้าต่างว่ามีความวินดีย่อมีทุกข์มากมีความความแค้งมากเป็นต้นนะครับก็แสดงเขาไม่ฟังกับที่เสียแก่ธาตุพิษนั่นแหล ทีนี่นะสมณีนี่แม้ผู้พิพากษาหลายว่ากล่าวตักเตือตตนแสดงคำให้ฟังแล้วนะครับแกก็ยังไม่ยอมสารที่ิศนะเรื่องไม่ไหวทิศเหมือนเดิม น, นะครับเมื่อผู้สูเหล่านั้นไม่อยากเพื่อสมณุแทกการตะกะจากทิศอันสรนั้นได้จึงพาคำไปเฝ้มามั่วฟ้างเจ้าและกล่าวดูเรื่องนั้นสงส่าผู้กองก็ประชุมสงท่งสอบหาสมณีนั้นนะครับสมณีก็แกก็รับขึ้นอย่างนะ ทรงตีตีนครับแล้วก็แสดงเขาเหมือนแสดงให้แก่ผ้าลิขสัตว์ฟังละนะครับแล้วก็นะพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตนะครับให้ลงธนกรรมแก่สมณเนที่เปมิจฉิฏฐิอย่างเนี้นะ <c oughs> ว่านะครับดูก่อนทธคุณทั้ทหลายก็แรงสงค์พุทธนานิาอย่างนี้ว่าดัางนี้เจ้ากังสกต ต, ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าแอบมาผ้าเจ้านั้นว่าเป็นสังนาของเจ้า และสมุสมนุตื่สมุนเนยนะสมุนุแท่อื่นๆย่อมได้การนอนด้วย ก, กันเพียงสองสามคืนกับจุดทั้งหลายอันใดแม่จริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เจ้าเจ้าคนเลวนะครเจ้าตรงไปอันนี้ก็าแบบคนเสียงที่คดีของเขาเป็นคนเลวนะเจ้าจงไปเจ้าจงชิบหายเสียนะครับครั้งนั้นสงได้นาชนะสมุนแท่กันตะกัดแล้วสงก็ทํานาชนะท่านนะ นี้ต่อมาถ้าเจ้าป้าคีก็รู้ทั้งรู้นะว่าสมมเณีนเนี่ยถูกสงฆาสนาแล้นครับก็ไปเกี้ยวกองสัมมณีอยนี้นะครับให้มาประทับบ้างกินร่วมบ้างสำกจการนอนด้วยกันบ้างแล้รู้มั่งน้อยสนเดียวก็พยายามถึงเตรียมพัทนาบั้นเนี่ ย, มม ย, ย, นนยทำไก็จะเมื่อ้าคีรู้อยู่ว่าในเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ยังไปเกี่ยวกองเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องรุปพระพุทธเจ้านะพุทโธก็ทรงสอบถา สองติดเตียนประตะกี้แล้วก็เมสิขาตงนี้ขึ้นมาท่านตั้งมาายค้ากับผาอริธามาดูคำอธิบายเราอธิบายในกางขานะาหาน้าสองร้อยสามสิบห้าแล้วพันี่สิบอธิายการตะกาศสิขาบทรู้ว่าสัมมาในองค์นี้น่าี้เกียบไปข่มคืนภิษุณีครับ ทำแบบชั่วมากนะถ้าของคุณมิจฉานีน่เสะอะไรนะครับเนี่ยบ่ไม่ได้เลยอ่าเพสร์า่าอธิบายสิขาบทที่สิบต่อไปชื่อว่าสัมมนุแทด้านแก่สามนเณรนี่เองครับเป็นคำเรียกสามเณรนะคำว่าเจละแปลว่าจงไปเสียคำว่าปิเลแปลว่าแน่เจ้าคนอื่นนะครับเจ้าคนที่ไม่ใช่พวกเรา หรือปรปการหนึ่งแปลว่าทางด้านอื่ น, นะครับในคอนอื่นนี่นะจะได้อีเลยใช่ไหมบนว่าวินาศแปลว่าจองชิมหาเสียนะครับอธิบายความว่าจงไปให้พ้นจากพวกเราเสียนเะนี่ยเป็นการธนกรรมนะําไรนะครับในควมว่าตัฐานาสนาั่งคือนครับนี้มีวิจัยว่านาสนา ให้จบหายคือลงโทษมีสามอย่างคือสังวรศาสนาลิงค่าศาสนาและธันตกรรมมัณฑนาในนาสนาทั้งสามอย่างนั้นการยกว่าข้อเห็นไม่เห็นอาบัตเป็นต้นชื่อว่าสังวรศาสนาเนี่อธิบายแล้วใช่ไหมอาการเป็นต้นว่าพิสุขหักิตนะพึงให้สมเนมผู้ปฏิสลายพิสุนีนะครับนะ พึงให้สมณเนรผู้บรรทุสร้ายที่ชุดีนะครับย mm ่อ hmm. ยับเสียขา ล, ล่างใน้ลาสิกขาจับศึกไปเลยนะ mm hmm. ถ้าเกิดไปของผู้พิชชุณีนะครับ mm hmm. จงให้เมติยาพิชชุณีฉิมหายเสียอันนี้ก็จับศึกพิชชุณีเมติยา mm hmm. นี้ชื่อว่าลิขณาสนานการจับสึกนะครับ mm hmm. อาการเป็นต้นว่าสมนเณรน้อยตั้งแต่วันนี้ไปเธอใหญ่ได้ อ, อา้าพรมผ้าเจ้าเป็นศาลาอีเป็นต้นนะ mm hmm. อันนี้ชื่อว่าธถนดัด ก, กรรมนาสนาครับสําหระมโนสิกขาบทนี้ประสงคเอาธถนดัด ก, กรรมนาสนาดังนั้นจึงตัาว่าสถานานสิตังสมนเนรที่ถูกนาสนาแล้วเช่นนั้นนะครับคําว่าให้กา ร, รอุปถัมภุลาเปยยะไมถิมสงเคราะห์นะครับคือไปเกี่ยวก่อนนะไปทั้งที่เนนที่มีนิสัยความพฤติกรร ม, มนี้ใช่ไหมสองถนัดกรรมแล้วนะครับ ก็ไม่ควรไปส่งข้อไปทางนั้นนะทุนี้ก็เลยไปเกี้ยกรอดไปส่งข้อไปบอกนี่นะก็สองข้อโดยบอกว่าจะให้บาจีวะอุเทะมีปริภุจชาอุเทะมีจะสอนบาลีให้ปริภูชชาจะสอนอุปถานให้อย่างนี้ก็ไปบอกเองนั้นไม่ได้คาว่าให้จารุปถานอุปถาเปิยกหมายถึงให้ในอุปถาตนเองนะครับพราะอุาวรเกี้ยกรอดมาได้นะใช่ไหม ก็เพื่อให้เนรมาอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเองครับที่สุผู้ยินดีปรารถนานของสมบูรและดินเหนียเป็นต้นจึงให้สำเนนนั้นนะครับรับใช้ตนก็ไม่ได้ไปทุกกรณีนะาหรบการบริพ่องร่วมและการนองร่วมมีในเช่นเดียวกับที่กลาวในในสิขาบทที่ผ่านมาไม่ได้ฉะนั้นจึงควรสรางการกระทำในสิขาบท น, นี้ กามที่ได้ต่างะในสิข่ขบทที่ตาานั้นเถิดคราบคิบาคาัทแต่เหตุการณ์พ่การนอนร่วมที่มัต่างแต่ที่ว่าการจะเคียดของมัใช่นะให้หนีแปเคาะเขานั้นแล้วก็ ก, การอปราุปถาแค่เงินอถาคือยินดีนมต่างๆนะที่สาเนียงเอามาปุปถานะรามีดินเหนียวบ้างมีจุนบ้างมาชม น, นะฟังนั้ที่เหนีนมาให้นะก็ต้องไปเตียทุกกรณีเลย ให้เกิดและปลอดแท้านอาบันนะครับสิ้าบทนี้เพื่อพระเจ้าทรงพระโลภพิสุทธคุตคีในเมืองสามวัฏถีบัญญัติไปแล้วเพรเหตุคือการให้การประถมทันตากสัมมาเนนใจความที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไปแล้วในอริษฐานสิขาบทนะครับเนี่ยเขาก็มีวางองค์อาบันที่ห้าบอกบอเมื่อข้อนั้นนะมาดูก็ันนะครับ จบการอธิบายการตระการสิลธรรมจบสับปปณนก็บอกว่าที่เจ็ดนะครับจบแล้วัมื่านร่างกายวาจาตเลยนรใช่ครับอ อ, อ, อ, อไม่ใช่ไม่ใช่สมุทานที่บอกว่าสนะามไม่ใช่การวากายติเมืม่ออาทนาาคือมีกาสรสงเคราะห์ด้วยกายหรือว่าด้ววาจานะครับหรือทัอ้งการและวาจา ก็เป็นการจิตวาจารจิตการวาจาจิตจิตรู้เท่ารู้นะว่าเนยแกถูกธรรกรรมได้อย่างนั้นก็ไปส่งข้อแตกข้อตกอะไรพวกนั้นนะด้วยการวาจาหรือทั้งการเริวาจาเป็นกิริยาต้องกระทำสัญญาไม่โมงนะครับคนหน้าเขาไม่รู้สจิตการนะครับต้องรู้เท่านั้นจึงจะต้องอาบัติและนักดีว่าฉันไม่ได้เป็นกุศลอย่างเดียวกายกรรมก็ได้เวจีกรรมก็ได้มีจิตสามมิตสามดำนี้งแหล 哦。